ญาติโยมผู้ต่บริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนมิสูตรสมนเณีนทั้งหลายสําหรับวันนี้ผมก็ขอพูดเรื่องน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้าต่อไปเรื่องราวของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่ว่าหลังจากที่พระอานุนปราภมน้ำมนต์พูดผีพิศสัดหนีไปแล้วและประตูต่างๆมันเต็มไปหมด แต่ก็ไม่มีทางแยออกคนที่สุดส่วนที่เหลือก็ดันกำแพงเมืองหมดไปพังไปแถบหนึ่งเว็นาบบ้านเมืองนั้นก็มีความสุขมัรนดาหมายค่าราชบริพันในเมืองนั้นเขาก็พากันจัดสถานที่เพื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงเทศรัตนสูตรรัตนสูตรแปลว่าอย่างไงนะ ก็ไปดูในเจตํานานแล้วก็ดูที่ท่านแปลไว้หนังสือจิตตนนนแปลสุดมนแปลมี <c oughs> เป็นนั้นว่ามีผลดีกัมมันดาประชาชนนงหลายเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรเทศโปรดเมืองภัยสาลีเสร็จก็เสด็จกลับมาลงเรือตอนเสด็จกลับนี้พระเจ้าเมืองภัยสาลี ก็จัดเป็นมิเศษเดิมทีเดียวจัดฉัดสําหรับพระพุทธเจ้าสี่ชั้นคราวนี้ล่อสักแปดชั้นจัดฉัดเพื่อพระอรหันต์นี่เป็นสี่ชั้นนี่ก็ลงเรือมาต่อมาบรรดาพญาหน้าทันหลายก็อยากจะบูชาพระพุทธเจ้าบ้างก็ตอนแล้วก็ทรงนิรันนาพระุทธเจ้าสนมิตรเรือทองคํามั่งเรือแก้วมันนีมั่งอะไรตัว ผมจะไม่พนาสวยสด ง, งามเป็นกรณีพิเศษบรรดาเทวดาและพรหมก็ตั้งฉาดกันเป็นชั้นๆเต็มจั ก, กรวาลไปหมดบูชาพระพุทธเจา้าเขาเล่าลัดๆเมื่อพระพุทธเจ้าทรงไปเทศโปรดพระญาณหน้าพอสมควรเวลาประมาณสามวันก็เสร็จเสด็จกลับเวลาที่โรงเรือพระเจ้าเมืองภัยาลีก็ลงมาส่งแค่คอน้าถึงคอเหมือนกัน กลับมาพระเจ้าพิมีสัยก็ไปลงไปรับพระพุทธเจ้าน้ำแค่คอเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ทรงขดเด็ ก, กลับพระเวรวันมหาวิหารผมจะเล่าต่อไปดีไหมตอนนี้ก็ขอย้อนเรื่องน้ำมนต์ซะหน่อยหนึ่งครับเรื่องน้ำมนต์นี่บรรดาเพื่อนบิสุสมณเนญาโยมพุทบริษัทเขายังเคารพนักถือกัน ผมน่ยเป็นคนไม่ขัดคอคนแต่ไม่แบบไม่ได้ที่ไปชนนะคนนี้ขัดคอคนเข้าแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไม่มีเจตนาร้ายครั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าผมยังเป็นคนโง่ อ, อยู่ในเมื่อผมโง่อผมก็ต้องยอมยอมตามยอมรักนับถือพระพุทธเจ้าเรื่อยๆไป ผมถือว่ายังไงยังไงก็ตามผมต้องดีไม่เหมือนพระพุทธเจ้าแน่ได้ความดีก็ผมก็ไม่ใไลพระพุทธเจ้าเข้าไปด้วยก็ขอเดินตามรอยไกลๆท่านสักนิดนิดเห็นรอยชัดเงาๆหน่อยๆก็ดีแล้วแค่แกะรอยตามพระพุทธเจ้าในเมื่อพระพุทธเจ้าเองทรงจัดในพระนนท์ทำน้ำมนต์ เราผมจะไปบรร น, นามคนทําน้ํามนต์ว่าเขาเลวได้นคนคนยอมรับน้ำมนต์ว่าเลวผมก็จะเลวกว่าเขาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าติว่าคนทําน้ำมนต์เลวทั้งหมดก็ถือว่าติาพระพุทธเจา้าด้วยท่านเห็นด้วยไหมเพราะว่าในศาสนาของเราพระพุทธเจ้าสั่งทำเป็นโอแรก และก็เป็นการมรุอเบสเสสมาธมุติยานใกล้ครบปีองทรงมรุอเบสเสสมามธมพทิยานวันวิสาขาบูชาถ้าก็เทศธรรมจักวันกลางเดือนแปเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้านับแต่ ว, วันเทศธรรมจักมาก็เกือบปีแต่วันมนรุอเบเเสสมาธมุติย า, านกันหก พอถึงใกล้กลารเดินแปด ก, ก็เรียกว่าปีเสร็ จ, รจอันนี้ผมก็ไม่ได้เขียนมาเจําจากธรรมบทมาเป็นอันว่าพระพุทธเจ้าทรงยอมรับนับถือการทําน้ำมนตแต่ผมก็ยอมอีกอย่างหนึ่งไม่กันว่าคนทําน้ำมนต์ก็มีหลายประเภททําน้ำมนตดีก็มีทําน้ำมนตร้ายก็มี ฉะนั้นนิ้วไหนร้ายก็ตัดเฉพาะนิ้วนั้นจะไม่ว่ากันทั้งหมด <c oughs> อย่างว่าสมัยหนึ่งความจริงเรื่องน้ำมนต์ก็ดีพวกผีก็ดีพวกเจ้าก็ดีนี่ผมไม่คอยจะเชื่อกับเขาในสมัยเมื่อผมยังยังไม่บวชเนี่ยผมไม่เชื่อจริงๆเรื่องธน้ำมนต์นี่ผมเห็นว่าเป็นเรื่องว้าว่าบมบม แต่วันในที่สุดผมก็กลายเป็นคนบ้าคนบวมซะเองผมจะเล่าเรื่องของผมสักตอนหนึ่งตอนหนึ่งสมัยนั้นผมเป็นหนุ่มผมเป็นหนุ่มคือรูปร่างก็คงไม่เหมือนคนแก่และลีลาของผมก็คงไม่เหมือนเดียวนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีการสุภาพเรียบร้อยเพราะคนแก่หรือไม่มีมายา สมัยโนย้นเป็นหนมมายามากตอนหน้าผู้ใหญ่มันก็ภาพภพับไว้รับหลังผู้ใหญ่มันก็นุ่นไปรลมแต่ว่าเมียหนึ่งที่ผมปฏิบัติตามผู้ใหญ่เคร่งครัดนั่นคือไม่ดื่มสุราไม่ไรผมดื่มสุราไม่เป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วในชีวิตนี้จริงๆได้ดื่มสุราครั้งเดียว ไปเที่ยวงานฉลองรัฐมนูลพศ .2476 ที่สนามหลวงมันหนาวจัด ก, กลับบ้านไม่ได้บ้านอยู่ฝั่งทนเสัยนั่นไม่มีรถไม่มีแต่เรือพอตีสองหนาวจัดเพื่อนไปชนเดินเล่าเขาบอกมันอุ่นดีผมล่อเขาไปกงครึ่งมันบาดคอบอกไม่ถูก ก็เลยบอกเพื่อนว่านับตบั้งต่บัดนี้เป็นต้นไปแกไม่ต้องชวนอีกงกินเหล้าต่อไปเพราะมันไม่อร่อยมันน้ําหวานหลังในตอนนั้นก็รู้สึกว่าก็เป็นหนุ่มนี้เป็นธรรมดาธรรมดามันมีสาวอยู่คนหนึ่งในตําบลตําบลหนึ่งสาวคนนั้นแกสวยเด่นในตาบลจริงเพราะหลายหลายตำบลสวยสู้แกไม่ได้ นี่เจ้าเพื่อนเๆอย่างของผมมันก็ยังไปติดพันไปรักษาวคนนั้นรู้สึกว่าตอมกันมากผู้หญิงคนเดียวนี่ผู้ชายหนุ่มตั้งเยอะบางทีมาแย่งกันสาวจะรู้ตัวแล้วไม่รู้ไม่ทราบตีลันฟันแทงชดต่อยกันอาการอย่างนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องคนบ้าเพราะคนทั้งโลก ก็เป็นคนเหมือนกันทำไมจะไปแย่งคนรักแล้วการทะเลาะวิวากั น, นจะมีหวังครองสาวคนนั้นหรือเปล่าก็ยังไม่แน่บางคนถูกปืนตายบ้างถูกแทงตายบ้างบาดเจ็บไปบ้างมันไม่เด่นเรื่องแต่จะเพื่อนผมก็ย่อมไปรักสาวนั้นเหมือนกันผมก็เห็นว่าเขารักสาวคนนั้นผมก็ไม่ยุ่ง พ่อมาสาวมันไม่มีสาวเดียวในในโลกโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งในตำบล น, นั้นๆก็ไม่ได้มีสาวเดียวแม่นเกลื่อนกลาดไปหมดแล้วก็ย่องย่องไปชอบคนอื่นเขาก็ยังได้แล้วก็ไปย่องไปชอบคนดี่เขาไม่แย่งกันสบายหมายความมา เ, เรือรถวิ่งคันเดียวมาสะดวกกว่ารถวิ่งหลายคันแล้วไม่มีรถสวนทางไม่มีรถขวางสะดวก แด้ว่าเหตุร้ายมันก็เกิดขึ้นต่อมาเวลาผ่านไปสักปีเสร็จคือสาวคนนั้นผมเจอแกผมก็คุยธรรมดาธรรมดาไม่เกี่ยวข้องอะไรทั้งหมดเธอก็คุยด้วยดีต่อมาปีเสร็จเสร็จเอ๊ชักนอนฝันถึงสาวคนนั้นเสร็จแล้วมันเกิดอารมณ์รักขึ้นมาภายในทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่คิดไปก่อนก็มีการแปลกใจ ให้ความรักเกิดขึ้นผมก็เป็นคนมีอารมณ์แปลกอยู่อย่างหนึง่งคือถ้าผมเริ่มรักใครผมไม่ยอมให้รักให้รักความรักมันฟาวไปเฉยๆความรักเกิดขึ้นอะไรต้องมีผลเหมือนนั้นก็คนอย่างผมประเดี๋ยวเดียวผลก็เกิดไม่ก็เกิดตามความพอใจทั้งสองฝ่ายก็แปลก พอจะเพื่อนเห็นว่าผมไปยุ่งเขาก็ถอนตัวออกไม่ขัดคอกันเรื่องนี้เมื่ออารมณ์เกิดขึ้นผมก็บอกบอกเพื่อนบอกคุยมันชักจะไม่ดีซะแล้วเนี่ยขาชักจะเ ร, เริ่มรักมาสัมั่งแล้วแกรักมาตั้งปีกว่าแล้วนี่ปล่อยให้ข้ารักมัง่งเขาก็ถอนตัวแต่นะว่าไม่พุนในระหว่างเพื่อนไม่มีใครขัดคอแต่คนอื่นเขาจะเขาจะทำเป็นยังไงบ้างก็ไม่ทราบ ได้ความรักในสาวไม่เคยไม่ใช่เป็นความรักครั้งแรกสำหรับผมผมมันมีโรครักตลอดปีมาตั้งแต่อายุทิพย์สองทิพสามเมืม่อโรครักเกิดขึ้นผลความรักก็มีตลอดแต่ว่าสาวคนนี้แปลกมันรักผิดปกติถ้าวันไหนไม่ได้เห็นเธอใจไม่สบายจริงๆซึ่งแปลกกับคนอื่นที่ผ่านมา ต่อมาเรารเกิดมีความซึมการงานชักเหนื่อยลงไม่ได้ขี้เกียจอีตอนเหนื่อยลงไม่ใช่อะไรมันไม่พอคิดถึงการงานก็เห็นหน้าสาวมันลอยต่อมาท่านแม่แปลกใจในจริยาที่เชื่อมซึมลงไปท่านก็พาไปหาท่านครวะนะท่านลุงคนหนึ่งท่านเป็นหมอนหมนมล ท่านลุงนั่นก็ทำน้ำมนท่านใช้วิธีการหมอดูด้วยการหยดดอกเทียนพอหยดดอกเทียนลงไปท่านก็บอกเอ๊ะนี่ถูกทำเสร็แล้วสิท่านก็หันมาถามว่านี่คุณท่านเรียกคุณนะ่ะผมนึกอายเท่งกับแย่คุณใกล้ที่เสริมลงไปคุณนึกถึงผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหม ตามปกติผมก็ไม่ชอบผู้เท็จบอกใช่ครับแล้วผู้หญิงคนนั่นเดิมทีคุณไม่ได้เข้าไปยุ่งใช่ไหมเมก็บอกใช่ครับเพราะเพื่อนเขารักอยู่แล้วทำไมคุณเข้าไปยุ่งกับเขาตอนนี้โอ้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมหาทางหลีกมาตลอดแต่มันหลีกไม่พ้นเพื่อสุดก็ไปชนกันจนได้แก่ก็เลยบอกว่าคนนี้ถูกคนเขาทำเสร็จแล้ว เขาบอกว่าคุณถูกคนกเขาทนี่ผมนึกในใจเมื่อลุงนี่พูดอะไรก็พูดถูกหมดทีตอนนี้ไม่ถูกแน่คนอย่างผมจะถูกทําทําไมหนึ่งผมไม่ได้ผมไม่ได้ร่ํารวยมกักไม่อยู่ในฐานะร่ํารวยพอที่คนจะถูกทําให้ไปรักรายการที่สองผมไม่ใช่คนสวยแล้วก็ราการที่สาม ผมก็ไม่มีสเสน่ห์นในดีลาเจ้าชู้เขาไม่มีกระถาเจ้าชู้เข้าเลยก็อบอกกับท่านบอกมันเขาจะทําผมทาไมครับก็ขนผมประเภทนี้คนที่ไปรักสาวคนนั้นมันดีกับผมตั้งเยอะฐานะเขาก็ดีกว่ารูปร่างหนา้าตาเขาสวยกว่าแล้วก็ทุกอย่างผมสู้เขาไม่ได้แต่ท่านลุงก็บอกว่ามันมอีอย่างหนึ่ง ที่คุณไม่เหมือนคนอื่นขึ้นหนึ่งคนคุณไม่กินเหล้าเมายาสองคุณไม่เก็กมเกมล็ดเมลีเ ก, กเกเรมีความสุภาพเรียบร้อยไอ้ตอนนั้นเรียบร้อยจริงจริงสงบสงเยี่ยมเพิ่มเป็นมายาผู้ใหญ่เขาก็ชอบเมื่อผู้ใหญ่ชอบเขาก็หนุนพู้น้อยให้ชอบบงังให้ผู้น้อยเลยเขาก็ชอบคุดมานาน เขาสนใจคนแต่ว่าคุณไม่สนใจเขาเขาก็ต้องหาคนช่วยถามว่าเขาใช้อะไรครับบอกเขาใช้ผีเลยถามว่าจะทำยังไงคนจริงพูดไปก็ไม่เชื่อ <c oughs> ถ้าผีมันมายุ่งกับเราจริงผีมันก็ต้องทําให้เราเห็นตัวบ้างนี่ความโง่ของผม แต่ผมก็ไม่ปฏิเสธเพื่อนก็รับฟังท่านท่านบอกเอางี้ก็แล้วกันถ้าลุงรดนมนสามวันไม่มีผลก็แว่าคำพูดของลุงไม่มีความหมายเธอไม่ต้องเชื่อลุงต่อไปตลอดชีวิตอีกคราวนี้ถ้าไม่เด็กคุณที่เรารอเธอคนแล้วผมก็เป็นคนอยากพิสูจน์เพื่อนก็ลองอา้าแลดก่อนลดครับท่านบอกอา้าต่อตันี้ไปตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้า ผมก็นึกถึงพระเจ้าให้นึกถึงอะไรผมนึกตามหมดโดยมากท่านนึกถึงพระพอให้พระก็ดีเทวดาดก็ดีพรก็ดีคือเทวดาที่ปกครองรักษาตัวก็ดีกําจัดโรคร้ายออกจากใจเดี๋ยวนี้แล้วก็ท่านก็นรถมลน้ำมลก็ทนรัดรถไม่มากรดสามขันแต่ว่ายือมึมมัมมึมมัมมมมัมตอนนั้นผมไม่รู้เรื่องเลย แต่ว่าพอมาบวชเข้าเริงทราบท่าน ล, อล่อรัตนสูตรนี่เองแต่ท่านสวดอยู่ขันือสามรอบจบแล้วก็ราชไปทีตักมีขันท่านสวดสามรอบด้วยความเคารพท่าทางในเคารพมากต้องอีทีพอสามครั้งอาการเบาความมินเริ่มใครัว เอ้ความซึมเริ่มเพิ่มคลายไปเรือมีความกระปีก่กระเปร่า <c oughs> วันนี้สองไปรักไปรถอีกอีกคขานี้นึกถึงสาวน้อยไปนิดมันนึกบ้างแต่ก็เฉยๆจิตไม่ซึมกระปีก่กระเปร่าเพราะวันนี้สารผ่านไปนึกเอ้ความรักสลายตัวเลยมันนึกขึ้นมันได้ว่าเอ้ไอสาวคนนี้นี่ เพื่อนเขารักอยู่แล้วก็ไปยุ่งกับแก่ดีไม่กี่ถ้าแกมีท้องขึ้นมาต้องเป็นพ่อเด็กนะนี่ในบรรดาเพื่อนพิศสมันเนินที่มีเขาบอกมีพระราชาคณะองค์หนึ่งบอกว่าไอ้ลิงดำนี่มันบดเนงกับหลวงพ่อปานแต่เล็กเล็กท่านเรียกว่าไอ้ลิงไอลิงอันนี้ไม่ถูกนะครับ ผมไม่ได้บวชเนแต่เล็กๆแบบผมบวชพระนี่ผมเข้ามาบวชในพุทธศาสนาเนี่ยผมเป็นพ่อคนได้แล้วผมฝึกความเป็นพ่อคนมาตั้งหลายปีดีนะไม่ผีจังไรมันไม่ดันเกิดกมาเป็นลูกถ้าเกิดมาเป็นลูกผมไม่ได้บวชถ้าเป็นลูกรายเดียววะช่างถ้าเป็นลูกหลายๆสิบหลายก็เสร็จเลยไม่มีอะไรให้ลูกกิน นี่ความศักดิ์สิทธิ์ของน้ำมนต์ที่ผมพบในจุดหนึ่งผมไปเป็นนาคที่วัดบ้นหลวงโนาคคือทพลจะบวชเขาต้องอยู่วัดฝึกสวดมนต์ฝึกเจริญกรรมฐานฝึกจกาากีปาทะสวดมนต์สวดพรไปสังไขโยกันเยกินข้าวการเยห่มผ้ากันเยกินเพรชัดนิลาของพระทั้งหมดเขาฝึกก่อนก่อนบวช ไม่ใช่อยู่ๆก็โดดขบวบคร่อมแบบนี้ลงนรกหมดท่า น, นี้ลวงพ่อปานที่ก็เป็นหมอนหม้หนมลยาของท่านมีสองข น, นานใบมะกากับขา่ากับใบมะกากับยาแพรโกโรคอะไรมาท่านก็สั่งยาสองอย่างถ้าเป็นโรคปวดหัวถ้าคนมีคันให้กินใบมะ ก, ก, กากับยาใบมะกากับยาแพรกถ้าคนนั้นไม่มีคันไม่ปวดหัวให้กินยาใบมะกากับขา่า และกระตามนกลางคืนก็สับให้คนนั่งเหยียดเท้ามหาท่านเป็นแถวถ้ามีขอนมีมีเขียงไม้อยู่อันให้มดหมอสับปกปกปกปกปกเดี๋ยวก็ดินทุมตามตุมตา ม, ต ม, ตามเออเอออ่ๆฮมดูแล้วก็แปลกใจแต่ว่าไม่กล้าเถียงทั <c oughs> ้ง น, นี้เพราะอะไรพรโดนมากลางหนังแล้วมาวันหนึ่งวันนี้เหนื่อยๆเลยครับ มาวันหนึ่งมีเด็กสาวคนหนึ่งอายุประมาณสิบห้าเห็นยังได้สิบสี่สิบห้าเป็นสาวรุ่นมากคนก็หามกระล่องกระแล่งเขาหามกันมาเลยอาตี๋หลวงพ่อปานนั่งอยู่มีคนไปหาท่านสักสองร้อยกว่าผมนั่งใกล้ๆที่เลียกับไปบอกนี่ให้เด็กคนนี้ถูกทรรมยหนักถูกคุณคนเลยนะมันจะตาย เองไปรถน้ำมนตให้มันเทผมก็ถามได้ว่าผมจะว่ากระถาอะไรครับผมทํำไมเป็นบอกไม่ต้องว่าน้ำมนตชั้นทําไวแล้วแล้วก็จับเด็กคนนั้นไปนอนมันนั่งไม่ได้นอนผมก็รถน้ํามันตุ่มมาเลยรดไปรดไปรดไปส้กสองสา ม, สามขันก็ดิน้นตึงตังตึงตังตึงตังโอ้ยโอ้ย ดินไปดินมาเดี๋ลุกขึ้นดินตีปุกตีเปิกใบเมียเพราะปานบอกเอ้ารถข้าไปรถข้าไปไม่ไมเห็นได้ ว, ว่าคาถาอะไรรถมารถไปรถไปโดนหมายก็กระีกเสื้อก็เจ็ดหน้าอกก็ฉีกเสื้อขาดหมดอีตอนนี้ดิดีความเป็นหนุ่มไม่พลูมาตอนนั้นนะนะ ได้คนยืนดูกันหลายสิบคนคนที่นั่งคุยนั่พระปานลุกมันล้อมหมดเป็นคนวงใหญ่เลยที่แรกหลายสิบคนมาเป็นร้อยพระปานนี่ก็นั่งยิ้มยิมเอารถเข้ไปรถเข้าไปรถไปทถมาเธอดิ้นไปดิ้นมาทุบ อ, อกทุบใจพ้นสุดฟุบฟุบก้กกลมลงไปขา้างในแต่พ่อปานรถเข้ารถเข้ า, ขาคนนี้ได้ผลรถเข้ารถเข้าผมก็มีหน้าที่รถอย่างนี้ก็รถ ด, ดะ ปอเดี๋ยวเดียวเธอพุ๊บนิ่งชยทังกบอดรถเข้ารถเข้านังๆเข้ า, า, า, เ, ขาเธอลุกขึ้นมามีโต้เล่มบรเรอหล่นเ ป, นป้งมาจากอกนั่นถ้าบาังเอิญเธอใส่เสื้ออยู่เขาก็จะหาว่าเธอซุกเข้ามาในเสื้อมีโต้เล่มนั้นใหญ่มากผูกสายสินเป็นสายกระสังเหมือนคล้ายผีเพราะวิตุนเราจะ อ, อกทั้งกระสังให้รถใหญ่เด็กคนนั้นก็ น, นอนนนอีก พอนอนลดไปเดี๋ยวเดียวเธอก็ลุกขึ้นอาการสลับหน้าสลับตาเขาถามเป็นไงบ้าง <c oughs> <c oughs> เธอบอกสบายแล้วเขาก็ถามว่าเมื่อกี้นี่เป็นยังไงที่ดินมันเจ็บเบาเจ็บหน้อกเหลือเกินตอนพุ่ไปเกือบจะขาดสายตายแต่ว่าพอมีดหล่นมันหายไปปิดทิง้งอย่างนี้เขเรียกคุณใสในการทำน้ำมนต์รูปพระพ่อปานเท่าที่ผมทราบ ท่ก็ใช้บทรัตนสูตรด้วยบารมีสามสิทเหมือนกับพระอานุนทําไม่ผิดหรือว่าเวลามาทีหลังได้ทราบดีลาการทำเหมืนนอนท่านอนของท่านท่านยึดรัตนสูตรเป็นสําคัญแต่ได้ ว, ว่าท่านว่าเป็นภาษาบาลีแล้วก็ท่านก็แปลด้วยแปลมาเป็นภาษาไตายกล่าวคํามภีรัศนาชัดๆตีความตั้งอกตั้งใจจริง นี่ระบรรดายาโยพ่พุทบริษัทชายหญิงเรื่องน้ำมนต์ที่ดีเขามีแล้ว่าคนที่ทําน้ำมนต์ที่เลวก็มีสักเท่ ว, ว่าทําบางไรายไม่รู้เรื่องไม่ ร, ราวรถนั่นเอาน้ำมนต์ไปรถคนไข้จะตายไปก็มีอันนี้ก็อย่างนี้ที่เขาบรรนามก็ถูกแต่ว่าถ้าจะบรรนามกันด่าไปนี้มันก็ไม่ถูกก็เมือนกับพระเราเหมือนกัน ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานี่ตามอุทมบริการสู่ที่พระเจ้าทานทรงรัสว่าบุคคลใดยังเพ่งเล่งจริยากับบุคคลอื่นบ้างติเตียนบุคคลอื่นบ้างยกตนข่มท่านบ้างถือตัวเกินไปบ้างยังนี้เป็นตนอย่างนี้เป็นอุปกิลิลสยังเข้าไม่ถึงเสกเกตความดีที่เราสอน ถ้าบุคคลใดไม่สนใจในจริยาของบุคคลอื่นไม่เพ่งเลงบุคคลอื่นไม่ยกตนข่มท่านไม่ไม่มีความประมาทแล้วไม่เรียกว่าไม่มีความประมาทมีจริยาจริยาดีมีความ ส, มบสมบางบสงบไข้โคนเฉพาะความประพฤติของตัวอย่างนี้เที่อว่าเข้าถึงส ก, กิดความดีที่ต ถ, ถาคตสอน และบุคคลใดไม่ทำลายศินให้ตนเองไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทำลายศินไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายสินแล้วสามารถระงับอีวอนห้าได้ตามต้องการจิตสรงฌานมีอารมณ์ทรงพรมิหารสี่เป็นปกติชื่อว่าเป็นผู้ทรงฌานโลกีอย่างนี้ถือว่าเข้าถึงเปลือกความดีที่พระองค์ทรงสั่งสอน ถ้าบุคคลใดทำความดีละมิตามลาดับมาครบถ้วนส่งตัวสามารถทำจิตให้ระลึกชาติได้โดยไม่จำกัดอย่างนี้เข้าถึงเปรียดความเข้าต้งก็พีความดีที่พระองค์สอนถ้าบุคคลใดทำจุตูปปาตยานห้เกิดขึ้นเห็นคนสัตว์รู้ได้ทันทีบุคุณสัตว์นี้ก่อนเกิดมาจากไหน ยิงข่าวคนตายแล้วไปอยู่ที่ไหนอย่างนี้เข้าถือว่าเข้าถึงแ ก, ก่นความดีพระโอษรแต่เป็นแก่นขั้นชาญนโลกี <c oughs> ต่อไปทบทวนความดีนี้ส่งตัวทำมิปัสนาญาณถ้ามีบารมีแก่กล้าจะตัดกิเลสเป็นสมบัติเทวหาหได้ภายในเจ็ดวันถ้ามีบารมีอย่างกลางจะตัดกิเลสได้หมดภายในเจ็ดเดน ถ้ามีบารมีอย่างอ่อนจะตากิเลสได้หมดภายในเจ็ปีนี่ละบันดาท่านพุทธศาสนิกชนคนที่ดีต้องดีตามในที่พระเจ้าทรงสั่งสอนถ้ายิ่งเป็นพระเป็นเลนที่กําลังฟังอยู่เวลานี้จําให้มากส่วนในที่พระเจ้าทรงตรัสว่าเป็นอุปกิเลสส่วนนั้นอย่าให้เกิดขึ้นในใจความจริงไม่ก็ต้องเกิด ถ้ไมัเกิดไม่เกิดในใจระงับมันไว้ยังออกแล้วจากปากยาเที่ยวไปว่าเป็นนินทาชาวบ้านจะเมืองเขาเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคนดีดูคนดีอย่างพระพุทธเจ้าไม่เคยนินทาใครเพราะอะไรทั้งหลายที่ทำดีท่านก็ไม่นินทาใครฉะนนี้หาว่าถ้าเราจะนินทาเป็นเพียงใดความเลวก็ยังมีกันเราเพียงนั้น อรันดาท่านพุทธบริษัทตักท่านวันนี้เราพูดเรื่องเลิกการ น, นินทาแปลว่าการที่เราจะถูกนินทาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่พระเจ้ากระวว่านณทิโรคีอ น, นินิโตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกแม้แต่พระเจ้าเองก็ถูกนินทาย่ํำแย่มิกันแปลว่าท่านไม่สนใจท่านเฉยไป่รู้เวขารมอรันดาท่านพุทธบริษัท สัญญาณบอกหมดเวลาปรายกฎแล้วก็ขอลา ก, ก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมืงคลสมบูรณ์ล ผ, ลผลจงมีแดดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับปรังทุกท่านสวัสดี